ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมามิตรลยสีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องประเด็นสําคัญสําคัญในพระสูตรในวัตถุประมาสูตรที่กล่าวไว้ในวันกร่อนประเด็นแรกก็คือจิตเตสังยินิเทเถ ทุกติปาติกลางขาหมายความว่าเมื่อจิตซ้ำมองแล้วถากว่ามีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระ ภ, ภาคเจ้าซึ่งทำอุปมาไว้ด้วยผ้าเศ้ำมองก็อตอบว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่า ความพยายามมีผลมากเปรียบเหมือนผ้าที่สร้าหมองพระมนทินที่ปลิวมาเกาะหรือเมื่อซักอีกครั้งย่องขาวสะอาดเพระตามปกติแล้วเป็นของสะอาดดูความพยายามในการซักผ้านั้น จะไร้ผลดูความหยาบในการฟอกก้นแกะที่ดำตามธรรมชาติคือหมายความว่าตัวสภาพของผ้านั้นเดิมจะต้องสะอาดแต่ว่าที่คุณมูซาหมองไปเพราะฝุ่นละอองดุลีต่างๆกัรนมาซักใสะอาด เราก็สามารถยอมให้เกิดเป็นสีที่สวยงามได้แต่ถ้าผ้านั้นมันเศ้าหมองเช่นท่านยกตัวอย่างว่าการจะย้อมหนังแกะสีดำจะยอมด้วยสีอะไรก็ตามก็จะทาให้บริสุทธิ์สวยงามขึ้นมาไม่ได้ เพราะโดยพื้นฐานมันดำแต่ว่าจิตใจที่เศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ทั้งหลายที่จนมาเพราะฉะ น, นั้นคือตามปกติจิตนั้นย่อมเป็นธรรมชาติที่สะอาดให้ลองสังเกตว่าแม้เราเองทุกคนเนี่ยนะ มันก็มีบางขณะที่จิตสะอาดไม่มีอาการของกิเลสข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นรุม ร, มรุมใจเพียงแต่วันเป็นได้ในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองต่อเมื่อมีการบำเพ็ญเพียรทางจิตหรือพยายามเจริญภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่ง จิตที่สงบนั้นที่จริงก็คือสงบจากอุปกิเลสนี่แหละเครื่องที่เคยทําจิตให้เศร้าหมองมันก็สงบไปก็แสดงว่าขณะนั้นจิตก็มีความสะอาดระดับหนึ่งพยานยาต่อไปมันก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจนถึงก็บริสุทธิ์หมดจดปราศจากอุสะวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ทีนี้แม้จิตที่เศร้าหมองเพราะกิเลสทั้งหลายที่จอมาก็เหมือนกันจิตนั้นตามธรรมชาติระสาดาในวรป็นสนที่จิตและพะวังขจิตหมายความว่าปฏิสนทิคือจุติปับแล้วก็เกิดปุ๊บเนี่ยตรงขณะนั้นจิตก็ยังบริสุทธิ์อยู่ แต่ว่าบริสุทธิ์แบบคนมีกิเลสนะฮะและพะวังขจิตอันนี้ก็เป็นเรื่องจิตที่ตกพวังเป็นขณะขณะขณะไปก็เป็นระยะสั้นๆเช่นเดียวกันดังนั้นสมด้วยพระพุทธดำรัสที่รับสั่งว่าพิสุททั้งหลายจิตนั้นเป็นธรรมชาติประพัดสอน ก็จิตนั้นแหละเศ้ามองไปพระอุปเลส ท, ที่สอนมาจิตนั้นเมื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์บุคคลก็สามารถทำให้ประพัดสอนยิ่งขึ้นอีกได้หมายความมาคำว่าประพัดสอนในตอนแรกถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเหมือนกับเพชรที่ยังไม่ได้จรีรไนอะมันก็เรืองแสงมันก็มีแสง แต่ว่าเวลาแนะนำไปจีรในมันก็จะแสงจะสวยงามขึ้นเปล่งประกายขยายแวดบงกว้างขวา ง, วางออกไปมากกินขึ้นเมื่อจิตใจของมนุษย์พอถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะบริสุทธิ์สะอาดไปโดยลำดับและในตอนต่อมาที่พระเจ้าทรงแสดงอุปกิเลสนี้เราจะเห็นว่า อุปเิเลตนี้พอมันไปถึงอริยมรรคต้องเ ป, ป็นโซดาเป็นโกรุไปเนี่ยมันจะทำหน้าที่ดับอุปกิเลตทั้งสิบกข้อไปเรื่อยๆที่เหลือลึกซึ้งที่สุดก็ไปดับที่อรหัตธรรมขั้นจิตใจมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้น ทีนี้บุคคลก็พยายามทําให้จิตประภัดสอนขึ้นได้อีกบัณฑิตพึงทราบว่าการทรงกระทําอุปมาเป็นผ้าที่เศ้าหมองเพื่อจะทรงแสดงความพยายามมีผลมากมาความมาเศร้าหมองก็ทำใหญ่เ้าหมองทีนี้มาทําได้ก็แสดงว่าความพยายามของมนุษย์เนี่ยมันมีผลมาก ความสำเร็จทั้งหลายในโลกไม่ว่าที่เป็นเรื่องวัตถุหรือเรื่องจิตใจก็ตามมันก็เกิดขึ้นมาจากความพยายามของมนุษย์ประการต่อไปก็คือทุกกติเป็นอันหวังได้ที่เรียกว่าทุกขติปาติกังขาก็สานวนเป็นบาลีนิดหน่อย พูดง่ายๆว่าถ้าจิตเศร้ามองตายแล้วไปบังเกิดในทุกขติท่านอธิบายว่าทุกขติเป็นคติที่เขาบึงวางได้อย่างนี้ว่าผู้นี้จักถึงทุกขติแน่นอนไม่ถึงคติอื่นดังนี้คือทุกขติเป็นคติที่เขามีส่วนร่วมอย่างนี้ชื่อว่าทุกขติด้นมีสองอย่าง คือปฏิบัติทุกขติและคติทุกขติถึงแม้ปฏิบัติีทุกขติก็มีสองอย่างคืออาคาริยะปฏิบัติทุกขติและอนาคาลิยะปฏิบัติทุกขติ ีเรียกว่าปฏิบัติทุกติเนี่ยหมายความว่าการปฏิบัติตนของบุคคลนั้นเองเป็นเหตุให้บังเกิดในทุกติทีนี้ก็คนมีสองกติก็คือชาวบ้านกับนักบวชนักบวชท่านเรียกว่าอาคาริย์ก็หมายความว่าเป็นทุ ก, กติของชาวบ้านชาวบ้านทําอย่างนี้ตายไปแบังเกิดในทุ ก, กติ อนาการยะทุกติก็เป็นของนักบวชนักบวชประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ตายแล้วก็จะไปบังเกิดในทุกติแต่ว่าเหตุให้บังเกิดในทุกตินี้เหมือนกันจนการละเมิดศีลห้าเนี่ยพระศีลห้าละละเมียดละไมลึกซึ้งมากกว่าโยมบนบางทีโยมทําขนาดนั้นไม่ถึงระกุกติเตีวแต่พระไปแล้ว ถ้าทำเลนตายตัวเดียวก็บังเกิดในุกติแล้วนี่คือความแตกต่างกันแต่สรุปปัจจัวเหตุจริงๆแล้วก็คือเกิดมาจากกิเลสที่กลุ่มรุมใจของบุคคลเหล่านั้ น, ท, นท่านอธิบายว่าคือรหัสที่จิตใจเศร้าหมองย่อมขาสัตว์บ้างรลักทรัพย์บ้างประพฤติอกุศลกรรมบทสิบดังนี้ทั้งสิ้นบา เรื่องของเราสังเกตว่ากุศลกรรมบท 10, สิบอกุศลกรรมบทสิบสีห้านี่จะเป็นตัวอย่างประจําเ พ, พราะไรเพราะพฤติกรรมของมนุษย์เราเนี่ยถ้าทําความดีมันก็อยู่ในกรอบของกุศลกรรมบทถ้าทําความไม่ดีก็อยู่ในกรอบของอกุศลกรรมบท อกุศลกรรมบุก็คือประทุษร้ายต่อชีวิตในรูปแบบต่างๆจะดังใหญ่ก็ตามคือก็ประทุษร้ายต่อชีวิตเขาล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของเขาโดยรูปแบบหลากหลายนับเดือนสองสามสี่ไม่ไหวหรอกมันเยอะล่วงละเมิดสิทธิในคู่ครองก็มีความหลากหลายแต่ เจตนาจริงๆก็คือประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายในยทางเพศพิธีการโกรหกหลอกลวงก็หลากหลายแหละสารพัดวิธีวันนี้ทําได้ทั้งด้วยกายทั้งด้วยวาจาทั้งด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆอันนกันนั้นคนรู้ไม่หมดหรอ แต่มันก็เป็นเครื่องมือในการทําดีทําชั่วแต่พวนั้นมันไม่ดีไม่ชั่วหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือในการทําดีทําชั่วแต่เจตนาเป็นเหตุ ท, ทำชั่วก็เกิดมาจากจิตที่สามมองการยุโยงให้เกิดความแตกแยกก็อีกหละหลากหลายอีกหละนับกันไม่หวานไม่ไหว นับหนึ่งสองสามทีไม่ทันนะ่ะมันเยอะแต่นั้นก็คือยุยงให้เกิดความแต ก, ยกแยกกล่าวคำหยาบคายร้ายกาดก็หลากหลายแหละโดยวิธีการต่างๆคือเวลาดูข่าวโทรทัศน์อะไรนะี่พยายามอักษรดัวสอนวิ่งเมเอะไรดิเาเรียก โอ้ยคนไทยนี่ด่ากันจังก็มีเรียกว่าเกือบทุกรายการแหละแต่ว่าก็ดูไม่ไม่ไม่ ไ, มไรนานนานนะ น, นะก็ดูเฉพาะที่สนใจแต่ว่าบันไดสะท้อนพฤติกรรมของสังคมให้เห็นว่าสังคมเรามีความแปลกแยกแบ่งแยกเป็นฝักเป็นขวาย แล้วก็ดูถูกดูหมิ่นกันแรงความเจริญในด้านต่างๆเกิดขึ้นมากคคามายขายกองจริงแต่ว่าพฤติกรรมที่สะท้อนมาจากจิตเป็นเรื่องน่าห่วงใหญ่คำเวลวร้ายสาระ ก, ก็เยอะแต่นั้นก็คือคนอื่นจะสูญเสียผลประโยชน์อย่างน้อยเสียเวลา เสียเวลาในการฟังค่อยคำเช่นนั้นมันเกิดมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากจิตที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือความเห็นผิดจากํานองของคำ ท, นทีนี้ในการที่รประพฤตกุศลกับบทสิบก็เหมือนกันก็คืองดเว้น เ, เงินไวเองก็หลากหลายแหลวหลากหลายมากมายมากมายกายกองเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้นานั้นมันเยอะแต่สรุปแล้วก็คือประทุษรายต่อชีวิตประทุษรายต่อทราบล่วงละเมิดในทางเพศแต่เป็นการงดเว้นก็เรื่อจากการพูดเทศ ก็เป็นการพูดส่อเสียดก็เว้นจากการพูดคำหยาบก็เปนในการพูดเพยเจ้รื่อยๆมันมาจากใจที่สยบความโลภเรียบความอคติยาบาิสยบความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเอาไว้อย่างน้อยก็ได้ระดับหนึ่งแหละนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่า อาคาริยปฏิบัติคือของกฤหัสเนี่ยกอหัสเกณฑ์ตรงนี้เขาจะตั้งเป็นหลักเพราะว่าเกณฑ์ตรงนี้เขาเรียกว่ามนุสสิธรรมคือธรรมะที่ทำคนในีเป็นมนุษย์พรามเะณฑ์นั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นแล้วขั้นตายแตกไปย่อมเข้าสู่นรกบ้างกำเนิดสัตวเดชานบ้างเปรตวิสัยบ้างนี้ชื่อว่าคติ ทุกคติของขึ้นละในฝ่ายบัะชิตบวชในศาสนานี้แล้วมีจิตใจเศร้าหมองอาศารับใช้คนอื่นทำตัวเป็นหมอตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ทำลายเจดีย์สถานเลี้ยงชีพโดยการให้ประพฤตนาาจารย์แล้วก็เที่ยวไปยังสถานเที่ยโคจรแม้ทั้งสิ้น ชื่อว่าอนาคาริยะปฏิบัติของทุกทุ ก, กติปฏิบตัติทุกทุกติปฏิบัติของบรรพชิตในลองสังเกตว่าบาประดับที่เป็นเหตุให้ตนกนรกด้วยกันของพระแรงกว่ารุมแรงกว่าทั้งทงที่พระก็เป็นคนเหมือนกัน แต่ว่าเป็นคนที่ปฏิญาณตนเข้ามาเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมระดับนักบวชระดับบรรพชิตระดับสมมัญนาอาจารย์มัญญาที่ไม่ควรประพฤติยี่สิบเอ็ดอย่างสมัครชาวบ้านแล้วก็ไม่มีรแรงแต่สมัครพระนี่ก็ถือว่าแรง ทีนี้อาาคาริยกับปฏิบัติทุ ก, กติของบันพิชิตนั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นแล้วครั้นตายแต่กายไปจะเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดสายชานบ้างเปรตบ้างเป็นสมณายักษ์บ้างสมนะเปรตบ้างมีกายลุกโชนช่วงด้วยผ้สาสังขาติเป็นต้นที่ถูกไฟไหม้แล้ว ส่งเสียงร้องควนครางเที่ยวไปนี้ชื่อว่าคติทุกติของบรรพชิตพระผู้มีพระพเจ้าทรงเริ่มแสดงทำฝ่ายขาวคือสุขติเมื่อความเขาทำฝ่ายขาวนั้นถึงทราบด้วยการที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวไว้แล้วในทำฝ่ายดำคือพกทุกตินั่นเอง ชื่วสุขติแม้ในที่นี้ก็มีสองอย่างคือปฏิบัติสุขติและคติสุขติแม้ปฏิบัติสุขติก็มีสองอย่างคืออาคาริยปฏิบัติสุขติและอนาคาเรียปฏิบัติสุขติหมายความว่าสุขติด้วยการปฏิบัติของเครือข่ายโดยการปฏิบัติของบัณชิตนั่นเอง ครือหัตมีจิตบริสุทธิ์ย่อมงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นั้นเวจากการรับซักบ้านบำเพ็ญกุศลกระ บ, บทสิบบาททั้งสิ้นนี้ชื่อว่าเป็นอาการิยะปฏิบัติสุขติของครือหัตนั้นครือหัตดำรงอยู่ในแต่ภาพนั้นขั้นตายไปแล้วก็ย่อบังเกิดในสุขติเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้าง ชื่อว่าคติสุขติทีนี้ฝ่ายบันไปชิดรักษาจารุภุปาริสุที่ศีลหมดจดสมาทานทุดงสิบสามเรียนกรรมฐานนั้นเหมาะสมในอารมณ์ส8สดอยู่ในเซนาเซนาันะอนสงัดทาบริกรรมกศิลจนให้เกิดฌานสมาบัติได้บรลุโซดาปฏิมักเป็นเรื่อยไปนะฮะจน ถึงอนาคามีมัดกอนาคามีผลก็เรียกว่าปฏิบัติสุขติของบรรพชิตบรรพชิตนั้นก็ดำรงอยู่ในชีวิตของพระพอนำภาไปแล้วก็ย่อมเกิดในสกุลทั้งสามสกุลในมนุษย์โลกนี้ในเทพชั้นกามาผจรสามชั้นหกชั้นในภบแผงครุม สิบพบในชั้นสุทธาวาทห้าบางังอรูปภพสี่บางนี่ชื่อว่าเป็นคติสุขคติของบัตฑุจิตพระบูมีภพ้าเมื่อตัดว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันวางได้และเมื่อจิตไม่สร้าหมองสุขติเป็นอันวางได้อย่างนี้อันนี้จะทรงแสดงอุปกกเลสทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิด ความเศร้าหมอ ง, องจึงสัตว์คำเป็นต้นว่าภิสษุทั้งหลายภิกเลสแห่งจิตเป็นชนคื่อนาพิชาวิสมะโลภะบรรดาภิกเลสเหล่านั้นความรักความพอใจในสิ่งของของตนชื่อว่าของคนอื่นนะ่ะในในสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนก็เรียกว่าพิชชา ความรักความพอใจในสิ่งของของคนอื่นชื่อว่าวิสมารลภะอี ก, กนหนึ่งความรักความพอใจในพันธะของตนชื่อว่าหรือของคนอื่นจงยกไว้ความรักความพอใจในฐานะที่ถูกที่ควรชื่อว่าอภิชา ความรักความพอใจในฐานะที่ไม่ควรชื่อว่าวิสมาลูภะทุนพระเถระกล่าวไว้ว่าโลภะทุกอย่างจะไม่ชื่อว่าวิสมะก็หาไม่ได้ถึงบัญญยากได้อย่างนั้นอย่างนี้สูงสูงต่ำาๆเล็กๆใหญ่ๆก็ว่าไปเลยพระประบาลีว่าผู้เธอทำการแบ่งแยก ไปทำไมจะเป็นอารมณ์ที่เหมาะหรือไม่เหมาะสมก็าตามราคาก็เป็นวิสุทโทสะก็เป็นวิสุทโมหะก็เป็นวิสมทเหมือนกันเพราะฉะนั้นโลภะนี้นั้นชื่อว่าอภิชาเรว่าเพ่งเลงชื่อวิสมทเพราะอัตว่าไม่เหมาะสมไม่ชอบไม่ควร คำว่าพิจาวิสมารโลภะมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นพิจาวิสมารโลภะนั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมทำร้ายจิตคือไม่ให้จิตโปองใสเพราะฉะนั้นพระพุ้มีพร ะ, ระเจ้าจึงสัตว่าเป็นธรรมเครื่องเศร้อมองแห่งจิต วิชาวิสมารลปานี้เป็นฉันใดพยาบาทอันเกิดมาจากอาคาตวัตถุเหตุตั้งแห่งความอาคาตเก้าอย่างย่อมเกิดขึ้นมาจากอาคาตวัตถุสิบอย่างความปลูกโกรธอันคลุมเครืออันครอบคลุมจิตบ่อยๆฉะนั้นลบรูอันกระทาสิ่งที่เขาทำดีแล้วให้พินาศไป ไม่ว่าของขนาดหรือของบรรพชิตฝ่ายกระดาเดิมทีเป็นคนขัดสนขันแล้วผู้มีกรุณาบางคนได้ยกเขาไว้ในฐานะสูงส่งต่อมาเขากล่าวว่าท่านทำอะไรให้ข้าพเจ้าชื่อว่าทำลายความดีที่คนผู้กรุณานั้นทำไว้แล้วให้พินาศไป คอยบันปะชิตจําเดิมสมัยแต่เป็นสัมมเณรน้อยอันอาจารย์หรือประญายะท่านใดท่านหนึ่งอนุเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่และด้วยอุทเทศและปริปุษาอุเทศก็คือการชี้แนะบอกกล่าวปริปุษาก็คือการสอบถามสักถามความรู้ความเข้าใจอาจารย์ฮะอาจารย์ที่ทำหน้าที่สั่งสอนให้หัเสนียความเป็นผู้สลาดในประการเป็นต้นด้วยธรรมกถา กันต่อบาประาชาชนและรัชอามาตย์เป็นต้นสักการะเคารพแล้วเธอกลับขาดความยำเกรงในอาจารย์เลวปาาัญญาเชี่ยวไปอานอาจา์เป็นต้นกล่าวว่าผู้นี้สมัยเขาเป็นเด็กเราทั้งหลายช่วยอนุเคราะห์และส่งเสริมไม่ก้าวหน้าอย่างนี้ก็แต่ว่าบัดนี้เขาไม่น่ารักเสียแล้ก็กล่าวต่อบว่าพวกท่านทำอะไรให้ผม คือว่าทําลายความดีที่อุปชายะแแนวจารย์เหล่านั้นทําแล้วให้พินาศไปความลบหลู่ที่ทําความดีที่ท่านทําไปแล้วพินาศไปกองบรประจิตนั้นย่อมเกิดขึ้นทําร้ายจิตคือแม่จิตผองใสเรนันพระพุทธมีพระเจ้าจึงตรัส ว, ว่าเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเหมือนอย่างว่าความลบหลู่นี้เป็นสันใดการตีเสมอซึ่งได้แก่ การถือเป็นคู่แข่งก็ฉันนั้นเกิดขึ้นลามไปอ้างถึงบุคคลแม้เป็นภูมสูตรเป็นต้นว่าท่านผู้เป็นภูสูตรเช่นนี้ยังมีคติไม่แน่นอนแลวท่านกับผมจะมีอะไรวิเศษบ้าความริษยาได้แก่การนึกตาหนิสักการะเป็นต้นของคนอื่นความตณีได้แก่การที่ทนไม่ได้ที่สมบัติของตนมีคนอื่นร่วมใช้สอย มายาได้แก่กิริยาที่เป็นความรพฤฤืดหลอกลวงโ อ, อ้วดเกิดขึ้นทําให้เป็นคนคุยโตจริงอยู่คนคุยโตย่อมเป็นเหมือนกับปลาอันนุนที่ท่านก็เล่าเรื่องปลา อ, นาอนันุนพอปลาอันนุนีนชอบเราหาอวดปลาพวกอื่นแล้วศีรษะอวดงูให้ปาลาหรืองูเหล่านั้นรู้ว่าเราเป็นเส้นกับพวกท่าน บุคคลผู้คุยโตก็เช่นเดียวกันถ้าไปหานักพระสูตรหรือนักราพิธรรมใดๆย่อมกล่าวกันนั้นอย่างนี้ว่าผมประพฤติประโยชน์เพื่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องหนูเคราะห์ผมผมจะไม่ทิ้งพวกท่านหรอกเมื่อเป็นอย่างนี้แลนักพระสูตรและนักอภิธรรมเหล่านั้นก็จะสำคัญเจอว่าผู้นี้มีความเคารพย่อมเกรงในเราทั้งหลายความอวดนี้แลเป็น ของบุคคลผู้นั้นเมื่อเกิดขึ้นทำให้เป็นคนคุยโตย่อมเกิดขึ้นทำร้ายจิตคือไม่ให้จิตผ่องใสเพราะฉะนั้นพระผูมีภาคเจ้าจึงตรัดว่าเป็นทำเครื่องสศร้าหมองแห่งจิตเหมือนอย่างความโอดโอยนี้เป็นชั้นใดความหัวดื้อของันนั้นเป็นตัวการทำให้ไม่ทไม่ให้ประพฤติอ่อนน้อมเชิดศีรษะเป็นผู้กระด้าง เป็นเช่นเดียวกับสูบที่เต็มลมความแข็งดีมีการกระทํายิ่งกว่านั้นความแข็งดีนั้นแยกออกเป็นสองประเภทคือฝ่ายอากุศลและกุศลก็บรรดาความดีสองประเภทนั้นสม บ, บูรณ์ขึ้นรหัสความแข็งดีเกิดขึ้นเพราะได้เห็นเครื่องประดับเป็นต้นที่คนอื่นทําแล้วและทําให้ทวีคูณขึ้นไปกว่านั้นจัดเป็นอกุศล แต่สำหรับบรรพชิตขณะที่บรรพชิตอื่นเล่าเรียนหรือกล่าวธรรมะมีประมาณเท่าใดเท่าใดความแข่งดีที่เกิดขึ้นด้วยการกระทำให้ทวีคูณทวีคูณไปกว่านั้นเริ่มหน้าแข่งมานะจัดเป็นอกุศลส่วนคือรหัสการกาแข่งดีที่เกิดขึ้นเพราะได้เห็นคนอื่นถวายสลากกรพัดถึงี่แล้วตนเองประสงค์จะถวายสองที่หรือสามที่จัดเป็นกุศล แต่สมบัติบัญปิชิตเมื่อได้ทราบว่าภิกษุอื่นเรียนได้สอหนึ่งนิกายและเกิดแข่งดีโดยอาศัยมานะแต่พอได้เห็นภิกษุอื่นนั้นเรียนได้หนึ่งนิกายก็ประสงค์จะครอบงำความเกียดค้านของตนอย่างเดียวเรียนเอาให้ได้สองนิกายเป็นจัดเป็นกุศลอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าแข่งกันทำดีเนี่ยไม่รบกอะไรตัวแข่งกับตัวเอง ไม่ได้แข่งคนอื่นไม่ได้ไปกีดการขัดขวางอะไรคนอื่นแต่ในที่นี้ประสงค์เอาความแข่งดีที่เป็นอกุศลเพราะว่าความแข่งดีที่เป็นอกุศลนี้ย่อมเกิดขึ้นทําร้ายจิตคือไม่จิตฟองใสเพราะฉะนั้นพระผู้มีภาคเจ้าจึงสัตว์ว่าเป็นธรรมเครื่องเศร้ามองแห่งจิตอันเรการแข่งดีนี้เป็นฉันใดความถือตัวก็ฉันนั้น เป็นไปด้วยอํานาจแห่งความพองตัวแห่งจิตเพราะสายชาติกําเนิดเป็นต้นมานะเป็นไปด้วยอํานาจความพองยิ่งขึ้นแห่งจิตชื่อว่าอติมานะอาการที่รับเอาด้วยความมัวเมาชื่อว่ามาทะมะทะเกิดขึ้นอํานาจการปล่อยจิตไปในกาลมคุณทั้งหลายประมาทะ ย่อมเกิดขึ้นทำร้ายจิตคือไม่ให้จิตป่องใสเพราะฉะนั้นพระพุ้มีภรคเจ้าจริงสัตว์ว่าเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเพราะเหตุใดพระพุทธมีภรคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงอุปกริเลจึงทรงแสดงโลภะไว้เป็นอันดแรกเพราะโลภะนั้นมันเกิดก่อนเพื่อน ยึงอยู่เมื่อศาตว์ท้งหลายเกิดขึ้นในพบใดพบหนึ่งในที่สุดแม้ในภูมิสุทธาวาสโลภาย่อมเกิดขึ้นก่อนเพื่อนด้วยอำนาจความยินดีในพบต่อตากนั้นอุปกเลสนองนี้มีพยาบาทเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นตามสมควรแก่ปัจจัยเพราะสายปัจจัยที่ควรเกตนและไม่ใช่แต่อุปกเล์ของจิตสิบหกอย่างที่ ท่านั้นที่เกิดขึ้นผึงทราบว่าโดยในยนีย่อมเป็นอันรวมกิเลสแม้ทั้งหมดทีเดียวก็ทรงแสดงเครื่องเศ้าหมองของอุปกิเลสทั้งสิบบประการไว้อย่างนี้ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือตามปกติก็ไม่ค่อยเจอเรียกว่าไม่เคยเจอนะครับเพราะว่า อุปกิเลตนี่เรียนมาตั้งแต่ธคําจินตรีแต่เราก็ไม่เคยพบว่าอุปกิเลตตัวไหนพระอริยะบุคคลระดับใด จ, จึงละได้เพียงแต่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยพระอริยะบุคคลนั้นละได้คนทั่วไปละไม่ได้ก็พอดีพระตัตถาจารย์ท่านได้จาแนกแยกแยะให้ดูว่า ในคําว่าละนั้นพึงทราบการละมีสองอย่างละตามลาดับกิเลสและตามลาดับมรรคอธิบายว่าการละตามลำดับกิเลสก่อนกิเลสหกอย่างเหล่านี้คืออภิชาวิสมะโลภะความโลภโดยไม่สม่าเสมอคือความเพ่งเลง็งธรมภาคือหัวดื้สารธรรมภาคือแข่งดี มานะคือถือ ต, ตัวอติมานะดูหมิ่นท่านมาท่ามัวเมาเรื่องใหญ่เลยแต่และตัวนี้ใหญ่โตมากเพาะคนที่ละได้เด็ดขาดก็มีเพียงพระอรหันทรนั้นเองแล้วก็กิเลสอีกสีคือพยาบาทความพยาบาทโกรธท่ความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธประมาทะความเืินเล่ ย่อมละด้วยอนาคามีมักอีหกอย่างคือมัคขาลบหลู่คุณท่านปลาสตีเสมอท่านอิสาความลิษยามัจฉริยะความตนีมายาเจ้าเลศสาธยะโอวดย่อมละได้ด้วยโสดาปติมักตุวนการละตามลำดับมักอธิบายังต่อไปนี้ กิเลสหอย่างเหล่านี้คือมัคคะลบหลูขุดท่านปรา萨ตีเสมออิสาความรติยามัจเริยะความตนีมายาเจ้าเลสสาสยะโออวดย่อมละได้ด้วยโสดาปฏิมักกิเลสสี่คือพยาบาทพยาปาทะความพยาบาทโกรธาความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธประมาทะความเลื่นเล่ย่อมละด้วยอนาคามิมัก อภิชาวิสมารูภัความโลภโดยไม่สม่ำเสมอสามภะความหัวดือ้อสามภะความถือตัวมานะไม่ใช่สามภะความแข็งดีมานะความถือตัวอธิมานะความดูหมิ่นท่านมาันทะาความบวมเมายมล่าได้ด้วยอัตมรเรื่องใหญ่ตางนั้นเน่นะ แต่ว่าแต่ละข้อเนี่ยถ้าเรามองให้เห็นโทษ <c oughs> แล้วก็พยายามลดคือพูดละนั่นก็พูดทีหลังเอาลดไว้ได้ก่อนก็แล้วกันคือคนเราเกิดมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอายุเพิ่มเนี่ยให้กิเลสลดก็แล้วกันย้ายกิเลสเพิ่มตามอายุไปเพราะอายุที่เพิ่มเนี่ยทำให้เราใกล้ความตายเข้าไป ทีนี้ถ้าเราตายอย่างมีกิเลสหนาะปัญญาหยาบนี้แม่ดูปรโลกแล้วมันมืดหมดแต่ทีนี้เมื่ออายุเราเพิ่มแต่ความดีมันเพิ่มตามก็เหมือนกับการเตรียมตัวพร้อมที่จะเดินทางไกลกันดารตายไปก็จิตใจไม่ขุ่นมัวเศร้ามองเป็นจิตที่พ่องแผล บันก่อนมีคนที่วัดเนี่ยก็ไปงานศพโยมที่เพชรบุรีโยมคนนี้พ่อเขาไม่ใช่ลูกเขาเป็นหมาเป็นป ร, รียารรเก้าประโยคเป็นราชคาณะปีที่แล้วเนี่ยขาวายุมากแล้วก็เจ็ดสิบกว่าสามีก็เก้าสิบกว่า ก็อยู่กันสองกดตายายลูกหลานก็อยู่รอบๆนั่นแหละดูแลโยมผู้หญิงก็หันมาถามโยมผู้ชายว่าอยู่คนเดียวได้ไหมพ่อแกก็ตกใจนิ่งๆมาถามอย่างนั้นตกใจแต่ว่าพอพลิกตัวไปอีกทีหนึ่เงเนี่ยกตายเลยตายไปแล้ว ก็แสดงว่าอยู่ด้วยความสุขใจพระลูกชายตั้งแต่นอนมาแหละไปดูแลแม่อยู่เรื่อยดูแลพ่ออยู่เรื่อยจนในสร้างกุฏิเล็กๆไว้เปื่อไปพักไปดูแลพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานที่อยู่รอบข้างก็ดูแลดียกงสบายใจ แล้วก็ยังเป็นห่วงสามีอยู่ก็ถามคำเดียวดยู่คนเดียวได้ไหมเม่สามีมงงแกก็กไปเลยนั้นก็แสดงให้เห็นว่าจิตที่มันผ่องใสขึ้นมาเพียงขนาดหนึ่งแต่นี้ก็คงรักษาคุณภาพจิตอย่างนี้ไม่ได้นานนะนะต่อเนื่องกันมาเพราะบรรยากาศมันมีแต่ความ เบิกบานแจม่มใสรื่นรมตามภาษาคนแก่ในที่นี้กิเลสเหล่านี้จะถูกฆ่าด้วยโสดาปฏิมาคือถูกฆ่าด้วยมรดที่เหลือก็าตามหรือหรือถูกฆ่าด้วยมรดที่เหลือก็าตามถึงกระนั้นทึงทราบว่าพระผู้มีพระเจ้าสัตว์คำเป็นต้นว่า บุคคลย่อมละอภิชาวิสมาโลภะอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งกิต จ, จงหมายเอาการละด้วยอนาคามีมัชนั่นเองนี้เป็นการเกิดแห่งผลอันมาแล้วตามมัชที่สืบต่อกันในที่นี้พระมพุทธเจ้าทรงแสดงมัชสี่ไว้ถึงชั้นสูงสุดเดียการเกิดผลนั้นจึงจะถูกอุปกิเลสอุปกิเลส มีวิสมะโลภะเป็นต้นที่เกิดขึ้นจากอุปเกเลตที่จะที่ละได้แล้วด้วยตติยมัคย่อมเป็นนันละได้โดยมัคที่สี่ตติยมัคก็คือนาคามิมัคกันนะคกิเลสที่เหลือย่อมเป็นอันละได้โดยมัคที่สนะี่ น, น, 4. นี้เช่นกันเพราะว่าอุปเกเลตมีมัคขะเป็นต้นแม้เราใดย่อมละได้โดยโสดาปฏิมัค กิเลตเหล่านั้นย่อมเป็นอันละได้เด็ดขาดแล้วด้วยอนาคามีมักนั่นแหละเพราะจิตอันเป็นสมุทฐานแห่งอุปกิเลตมีมข่าเป็นต้นนั้นอันละไม่ได้โดยเด็ดขาดด้วยโซดาปฏิมักแต่ในกรณีนี้อาจารย์บางพู้พันนาว่าการละได้ด้วยปฐมมักก็คือโซดาปฏิมัก คำนั้นไม่สมกับคำต้นและคำปลายอาจารย์บางพวกก็พันนาวิคัมปนาปานไว้ในอธิการนี้คำนั้นเพียงประสงค์ของอาจารย์เหล่านั้นเท่านั้นนี้ก็คือจุดที่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาพระตถาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยถ้ทาท่านอธิบายสอดคล้องกัน ก็ดีไปพออธิบายไม่สอดคล้องกันไอ้คนศึกษาในรุ่นหลังเขาก็ก็รู้น้อยกับท่านนะก็สับสนไม่แน่ใจเออาจารย์คนนี้ว่าอย่างหนึ่งอาจารย์คนนี้ว่าอย่างหนึ่งอะไรคือความถูกต้องแต่ก็สรุปว่าในเพศสูตรนี้ประเด็นหลักสำคัญจริงๆก็คือการที่ บุคคลพยายามศึกษาสำเนีจอีกที่จริงองค์ธรรมก็เป็นเป็นใจศึกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่านี่ปริยายที่ทรงยกจงจำแนกแสดงในรูปแบบต่างๆขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเรา มองโดยสรุปไปเห็นว่าหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของใจสิกขาถ้ า, ากว่าเราดำเนินไปตามหลักของใจสิกขาพยายามให้อาการของศีลปรากฏเด่นชัดอาการธรรมะปรากฏเด่นชัดอาการของสมาธิปรากฏเด่นชัด อาการปัญญาปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในใจแม้สักระดับหนึ่งมีความสงบเย็นบางเกิดขึ้นภายในใจก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ฐานะของพุทธบริษัทแล้วแต่แน่นอนว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ทวนกระแส กิเลสแต่ละข้อในสี่หกข้อเนี่ยอาการหนักทั้งนั้นแต่เราจะสู้กับเขาแต่เราก็ยอมไม่ได้เพราะว่าปริยัติที่ท่านเป็นพัฒนาขึ้นมาได้ก็ท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละท่านก็ต่อสู้กันมาขับเคี่ยวกันมาบองจวนจะมโนภาพจะจับอารมณ์ได้จิตรวมได้ บรลุมรรผลไปในขณะนั้นแล้วก็นิพานไปได้คือแทนที่จะมโนภาพธรรมดาก็กลายเป็นนิพานไปแล้วก็คือผลจากความเพี่ยนไปยากกิเลสประเด็นสำคัญก็คือมองให้เห็นโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโทษที่เป็นรูปธรรมมีประเด็นที่น่าศึกษาอย่างหนึ่งคือ เราจะพูดะธรรมะจากข่าวหรือว่าข่าวสะท้อนธรรมะก็ได้ก็ไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์มากหรอกเอาหน้าพาดหัวหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ฉบับใดก็ได้มามองในมิติของธรรมะจะมองว่าธรรมะข่าวสะท้อนธรรม หมายความพฤติกรรมของบุคคลในข่าวที่แสดงออกมานั้นเป็นการสะท้อนธรรมะออกมาจากจิตเขาเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็ว่ากันไปตามต้องควรแกกนันนองแต่ทีนี้บางทีเนี่ยเราก็หยิบประเด็นของข่าวเหล่านั้นขึ้นมาพฤติกรรมของบุคคลในข่าวแต่ละคนแต่ละคนก็ไม่ต้องออกชื่อเขา แต่ก็เราก็สะท้อนว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดจากจิตที่เป็นยังไงถ้าเป็นอกุศลนี่เกิดกกขขแต่อุปกเกเรข้อนายแต่อุปเกเรข้อนี้ไม่มีอาการอย่างนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่แล้วกจะเห็นคำคำหนึ่งที่ท่านบอกว่าสุทธาธรรมาภวัตตันติธรรมล้นลวนมันหมุนไปธรรมล้นลวนมันหมุนไปแล้วมันก็มันก็เป็นไป แต่ว่าเมืองไทยนี่นพูดอะไรยากพอเป็นตัวตนบุคคลขึ้นมาอ้าเป็นการเมืองสิงอีกแล้วทจริงวิถีชีวิตของมนุษย์มันก็อยู่ในเวทผงของการเมืองนั่นแหละตรามนุษย์ก็เป็นสัตว์การเมืองการเมืองมันเพิ่งเกิดคำว่าการเมือ ง, ม, อ ง, ม, อ ง, ม, องมันเพิ่งเกิดแต่หมายความว่ามีการบริหารการจัดการ มีการป้องกันมีการบำบัดมีการบำรุงมีการรักษาทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรมเพอัะถ้าเราได้กระตุ้นเตือนให้คิดว่าเนี่ยคือธรรมะนี่คือธรรมะนี่คือกุศลนี่คืออกุศลเพราะเป็นอย่างนี้จึงมีโทษอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้จึงมีคุณอย่างนี้คนก็จะ ก็ซึมซับไปว่าธรรมะกับชีวิตเป็นอย่างเดียวกันธรรมะก็คือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะชีวิตจึงเป็นกระบวนการธรรมะล้วนๆที่หมุนไปแล้วก็ขับเคลื่อนไปแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนเป็นกุศลหรือกุศลเท่านั้นเองต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี